จิตผ่านดวงหนาปากิเลสวัสดไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากวิชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทยช่างเป็นเลิกงามยาวิเศษเอาซีจริงๆพอเลิกงามยามหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบินทบาติท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์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 เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขาไม่ได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสํารานขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตใจก็อิ่มทรเมินคิดสัมผัสกับอาหารที่เคยนํารงและให้ความผาสุกแก่อันธพาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่านกับอาหารเคยอาศัยกันมาถ้าเราวานับแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาเห็นชีวิตธาตุขันท์กับจิตใจ ปรองดองสดชื่นต่อกันเหลือจะพณ น, นาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเองเป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตยางประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าลินทล่มวัตจักภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันและจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินรียห้าอาจัตนหก ทำงานตามหน้าที่ของตนจนกว่ า, าธาตุขันจะหาไม่โดยไม่มีการทะเละวิวาดกระทบกระเทือนกันดังที่เคยเป็นมาวงเล็บเปิดการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทําให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้วงเล็บปิดคดีต่างๆภายในจิตที่มีมาก และวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบนับแต่คณะสารสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนรุนแรต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยุดจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเละวิวาดบาดหมางไม่มีเวลาส ง, สงบลงได้เพราะวิชาตัญหาเป็นหัวหน้าบงการบรรชางานให้โกราผลหุ่นวายร้อยแปดพประการนั้นได้สงบลงอย่างราบเรื่อนชื่นใจ กลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมอันบวรขึ้นสวยเมืองจิตราแทนอาธรรมจิตนอกการภายในได้เป็นไปโดยโดยทำความสม่ำเสมอไม่มีอริข่าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุแยแปรรูปคลีให้ผิดเป็นถูก ผูกเป็นแก่แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอาธรรมมีอํานาจบัญชา ง, งานมาแต่เก่าวก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นรุ่ยตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคําท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น ซึ่งเปลืองทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเล่าว่าสถานที่บำเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภัยในก็ดีกระท่อมปุรีเล็กๆพอหมกตัวทำความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในเวลากลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โครจรบินทบาทพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ทราบซึ่งประทับใยผีที่ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูก และฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้ไม่ได้จืดจางรางเรือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัตจักรได้ถูกคว่ำลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายตลอดมาเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานที่ตรัสรูและที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิ พ, พานไปนานตามการของสมุติประหนึ่ประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะ ไม่ได้ทรงจากไปตามการแห่งป ร, รินิพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อยลึกตื้นยาประเอียดทีรรปมม่ประธานวิเกมมวลสัตว์ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตยอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมวลไม่มีอะไรบกพร่องหายสงสัยในพระสง์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้งสามรัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธ ธ, ธรรมะและสังฆะ องคบริสุทธ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวมีความสบายหายห่วงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทวงลวงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดขียดหรือแอบแทะขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั้นเดี๋ยวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถคําว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอประจํำนิสัยของมัน เมื่อมีอำนาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้วจึงต้องทำการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจำนิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทำอย่างโน้นตามอำนาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีทรรไว้ปิดขั้นความรั่วไหลาจากการบังคับและการขอเอาอย่างลื่อด้านของเหล่ากิเลสจึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัวไม่มีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสื่อพบต่อชาติเป็นคนดีมีเสีลธรรมต่อไปได้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 ท่านถึงสาอุปาทิเสสนิพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในราวภาษาที่สิบหกหรือสิบเจ็ดผู้เขียนจําไม่ถนัดจาได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอนออกภาษาแล้วใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มเสร็จไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรม จึงเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งสองฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอ ก, กาสระอาสระอาคือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่ครคาวไปด้วยทั้งความโลมลุกคุกครานทั้งความล่มความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นรุ่มรุมดอนดอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดเบื้องต้น จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายห้นการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนานํำลงในปฏิปทาของพระธุดลงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจไคร่ทำจะได้นํามาพิจารณาตรตายตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่านเพราะหลวงปู่ขาว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 จะหาว่าบาเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองพ อ, อ24 24 89, พศ .2488 ถึง2489พรรษานี้ท่านจำที่แม่น้องหารอําเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ในพรรษาท่านเมตตาเกสนาอบรมสั่งสอนศรัทธาพอสมควรเพราะจิตท่านพ้นดงหนาป่าทึบออกสู่แดนเบริงว่างกว้างกว้า ง, า ง, างหาประมาณไม่ได้จิตเป็นอวกาศจิตทําเป็นอวกาศธรรม ปลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรแล้วไม่มีอะไรมากีดขวางรวงใจเหมือนแต่ก่อนอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เพื่อธานเพื่อขันเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมของจิตเป็นความอยู่สบายพอออกภาษาแล้วทําให้ท่านระลึกถึงความหลังก่อนที่จะออกสแสวงธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยทุดงกรรมฐานอยู่เสมอความหลังปรากฏขึ้นเตือนใจอยู่บ่อยๆความปณิทิานที่ตั้งไว้ตอนบวชทีแรกว่าจะออกสแสวงธรรมเพื่อมักผลนิพพานทายเดียว เมื่อถูกประชาชนครูอาจารย์ทั้งหลายคัดค้านต้านทานจึงได้ประกาศความจริงใจออกมาให้ทราบว่าเมื่อออกไปแล้วถ้ากระผมและอาตมาไม่รู้เห็นธรรมคือมรรคผลนิพพานเต็มดวงใจแล้วจะไม่ยอมกลับมาให้ท่านทั้งหลายชีย้หน้าตราความล้มเหลวใสหน้าผากจางเด็ดขาดการกลับมาจึงมีธรรมดังกล่าวนี้เป็นเครื่องประกันตัวเต็มอยู่ภายในใจโดยถ่ายเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้แต่แบบนี้นานไปจะหลงลืมไปเสีย เวลาเห็นหน้ากลับมาเมื่อคิดตกลงใจเรียบร้อยแล้วจึงได้ร่ำลาศรัทธาทั้งหลายซึ่งต่างมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปแต่ความจําเป็น จ, จําใจบังคับตามกฎอนิจจังที่ต้องมีการพรัดพรากจากกันทั้งเป็นทั้งตายจึงจํายอมไปตามกฎแห่งคติธรรมดาท่านจึงมาชวนหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นเพื่อนเดินทางกลับอีสานด้วยกันเพื่อเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาขณะญาติที่ได้จากกันไปเป็นเวลา ยี่สิกว่าปีนับว่าเป็นเวลานา น, านพอประมาณหากชีวิตไม่ทนทานทั้งเขาทั้งเราก็อาจตายไปเสียก่อนไม่ได้พบเห็นกันอีกและเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ไปกราบเยี่ยมท่านหลวงปู่มั่นภูริะะทัตเถระในเวลาเดียวกันซึ่งระยะนั้นท่านกำลังพักจำพรรษาอยู่บ้า น, น, นหนองผืนนาในอำเภอพนนารีคมจมังหวัดสกคนคร ซึ่งมีพระธุดงค์กรรมฐานจํำภาษาและห้อมร้อมอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านพักจำภาษายู่เป็นจํานวนมากแต่หลวงปู่แหวนท่านบอกว่าท่านยังไม่กลับถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตามความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจเสียเมื่อไรต้องอยู่บําเพ็ญให้ถึงอรหัตก่อนถึงจะไปไหนมาไหนจากเชียงใหม่ถ้าอยากไปถ้าไม่อยากไปก็จะอยู่เชียงใหม่ต่อไปจนตายท่านเองถ้าได้บรรลุอรหัตแล้วจะนําทําไปแจกพระแจกชาวบ้านผมก็ขอโมทนา แต่อย่านากิเลสหรือทำเมาไปแจกเขานะเพราะกิเลสและทำเมามีเกลือนแผ่นดินถิ่นที่สัตว์โลกอยู่อาศัยไม่เคยมีวันบกพร่องขาดแคลนมีทำเท่านั้นบกพร่องขาดแคลนในหัวใจสัตว์โลกทุกวันนี้โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขเย็นคาเย็นใจไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นว่าทุกข์ว่าลําบากยากเย็นเข็นใจให้ฟังแม้ในบ้านในเมืองที่นิยมกันว่าจเจริญก็ไม่พ้นที่จะได้ยินคำว่าบ่นทุกข์บ่นยากกัน เวลาท่านไปทางพระอิสานจึงนิมนต์นำธรรมสมบูรณ์ทําไม่บกพร่องขาดแคลนทําสงบเย็นปากเย็นใจไม่บนไม่เดือดร้อนนอนคลางไปแจกเขาบ้างเขาจะได้โมทนาในการไปเยี่ยมเยินญาติของท่านผมเวลานี้กําลังต่อสู้กับทำเมายังไม่สั่งยังไม่หายเมานั่งอยู่ก็เมายืนอยู่ก็เมาเดินอยู่ก็เมานอนอยู่ก็เมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอยู่ก็เมา กิเลตัวพาให้ประมาทโมเมามันยังไม่ยอมลงจากบนบ่าบนหลังบนคอบนหัวใจเคลื่อนไหวไปมาในที่ใดมีแต่ทําเมาเหล่านี้ออกทํางานเพ่นพ่านเต็มกายเต็มวาจาเต็มหัวใจเมื่อไรจะหายเมายัางไม่รู้ได้ท่านไปพระอีสานที่มนํามมทนิมมัทโน่ทำยังความเมาให้สางวัตุปัเชดโดทําตัดพัสจิตตันหักขโย ทำสิ้นตัณหาวิราโคทำสิ้นราคะความกำหนัดยินดีนิโรโทรทำดับกิเลสทั้งปวงนิพพานังความดับสนิทแห่งกิเลสสมมติทั้งมวลไปแจกชาววัดและชาวบ้านเขาจะได้ดีใจโมทนาสาธุการสมกับท่านจากเขาไปนานนี่ท่านหลวงปู่แหวนสั่งหลวงปู่ขาวเวลาท่านหลวงปู่ขาวจะกลับไปทางภาอีสานสาหรับองค์หลวงปู่แหวนเองท่านไม่ไป ท่านจะอยู่บำเพ็ญให้ได้รหัสก่อนอยากไปไหนท่านจึงจะไปหลังจากสมหวังดังใจหมายแล้วท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบหลวงปู่บุตรไปด้วยทั้งสามองค์เดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปภาคอีสานและเดินทางไปกราบนมัสก า, ารหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านน้องผือนาในโดยพักค้างคืนหนึ่งคืนระหว่างทางบำเพ็ญจิตบำเพ็ญธรรมเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นท่าน ขณะทำความเพียรก็รำพึงในใจว่าป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนามองดูตับไตไสู้มงของพวกเราทะลุโปร่ปปงไปหมดแล้วก่อนที่เราจะไปถึงท่านเครื่องในในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือท่านหลวงปู่มั่นคงขยี้ขยำด้วยญาณท่านหมดแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นความจริงตามที่คิดไวพอไปถึงท่านก็เทศนาคันใหญ่เลยว่ากลัวแต่คนอื่นจะเห็นตับไสู้มิของตัว แต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้พุงและจิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นมัวเพลินดูเพลินฟังเพลินฝันเพลินเพลินคิดแต่ภายนอกไม่สนใจคิดเข้าภายในกายในจิตของตัวบ้านจะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหนนักปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติเพื่อรู้หลักความจริงต้องดูตัวดูใจอันเป็นมหาเหตุก่อเรื่องต่างๆมากกว่าดูสิ่งภายนอกหรือสิ่งอื่นใด และแสดงวิธีรักษาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจด้วยความระมัดระวังในอิริยาบถต่างๆด้วยความมีสติและปัญญาระลึกรู้ไตร่ตรองในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชินชากับสิ่งใดในแดนสมมุติซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกและความเกิดตายของสัตว์โลกทั้งมวลเมื่อพักผ่อฟังธรรมเครื่องรื่นเริงจากหลวงปู่มั่นพอสมควรจึงเข้ากราบปลาหลวงปู่มั่น ออกเที่ยวิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เครียงหลวงใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่เช่นบ้านโคกมะนาวบ้านกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสุขุมขันธ์ปมเพลินอยู่แถวแถวนั้นเป็นเวลาหลายเดือนจึงเริ่มพาพระเนนออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมเมื่อท่านกลับไปถึงปิตุภูมิคือสถานที่เกิดที่อยู่เดิมของท่านประชาชนญาติพี่น้องพอทราบว่าท่านกลับมาเยี่ยมต่างก็พากันดีใจราวกับจะเหาะจะบินไปตามๆกัน และพร้อมกันอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจำภาษาที่นั้นท่านก็รับนิมนต์และสร้างดิพักขึ้นจำภาษาที่บ้านบอ่นอฉนงซึ่งเป็นบ้านของท่านเองหนึ่งพรรษา พ, พ่อภรรษาแล้วก็ลาญาติโยมกลับมาจังหวัดสกลนครตามเดิมและท่องเที่ยวไปตามอำเภอต่างๆที่มีป่ามีเขาเหมาะกับการบําเพ็ญสมณธรรมเช่นเที่ยวตามชายขาวภูพานภูเหล็กอําเภอสว่างแดนดินเป็นต้นจำภาษาที่บ้าน หนองหลวงบ้างที่ทำเป็ดบ้างที่บ้านหว า, หวายสนอยบ้างที่บ้านชุมพลบ้างในเขตอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนครตามอัธยาศัยมีพระเนนติดตามพอประมาณเพราะท่านห้ามไม่ให้ติดตามไปมากไม่สะดวกแก่การพักบำเพ็ญและการโคจรบินธบาดเนื่องจากท่านชอบไปพักตามหมู่บ้านเล็กๆราวห้าหกเจ็ดหลังคาเรือนเท่านั้นเพราะสะดวกแก่สมณธรรม ไม่วุ่นวายด้วยฝูงชนพระเนนเข้าๆอาๆอก ๆ, ๆดังหมู่บ้านและวัดใหญ่ที่เคยผ่านมา <c oughs> หลวงปู่ขาวท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุนด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดพาห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอบอุ่นไม่มีเลย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 ไข้ก็าสางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเศษจนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็าหายขาดจิตก็ปราดเปลืองเลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่าฐานเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึง่งแม้อายุจะ ก้าวเข้าไวชราภาพแล้วแต่การทําความเพียรอย่างเก่งกล้าสามารถเสมอมาไม่ได้ลดหลักะเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห้าหกชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระนมนมยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราดท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะกว่าหาหมอนเอาท่าเดียวประเด็นหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามักผลนิพพานเปนไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระการธรรมสาบางปี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 วันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเที่ยบไม่ได้ท่านว่าตอนท่านจำภาษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกนครกับกาลสินต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสามสี่ร้อยเซนที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเกงหมูกวางต่าง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 ไม่นานนะักท่านว่าในภาษานั้นเวลาทําสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทิยธระทให้ฟังเสมอตลอดทรรษ า, าการทําข้อวัดในบริเวณถ้ำที่พักจาําภรษาตลอดการจัดบริการต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอทรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุงต่อความหุดพ้นให้ฟังว่า ทุดดวงเขวะ ต, ต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เกินคลาดและยกยกทุดดงเขวะสมัยที่ท่านพาหมูคณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ําอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมูคณะดําเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดดงเขวะที่แน่ใจยอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่โลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่า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 ควรให้ผู้อาศัยยึเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นมีได้เป็นศาสนาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสนาของโลกอยู่ทุกอิริยาบถทรงสีห์สยญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดี เสด็จไปนในที่ต่างๆแม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสนาประจําพระอาการอยู่ทุกๆอิริยาบถพระองค์ไม่ทรงทําให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบมินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วย่อมยึดเป็นคติทูอย่างเครื่องพร่ำสอนตนได้ทุกๆพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวอย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละมันญาติเหมือนโรคทั้งหลายที่ชอบทํากิริยาต่างๆจากคนคนเดียวในสถานที่ต่างๆ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 คือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เหมือนนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิรยาบตหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสนาของโลกทั้งสามแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหัสยานิพพานไม่ได้นอนถึงเนื้อถึงตัวกลัวความตายร้ยมนบ่นเพ้อไปต่างๆ ท, งทั้งที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหัสยานิพพานส่วนพระไถยก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญ เรากับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสนาของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าออกจนควรแก่การแล้วจึงเสด็จปรินิพานไปแบบศาสนาโดยสมบูรณ์ไม่ทรงยืดยหญ่กับสิ่งใดๆในสามภพนั่นแหละศาสนาของโลกทั้งสาท่านทรงทําตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะวันตรัสรู้จนกระทวันเสด็จปรินิพาน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 ที่ไม่มีหลักยึดย่างถูกต้องตายตัวนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตราย้วยภัยต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมวินยัยมีทุดดงควัเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัย จงยึดให้มั่นคงยาโยคลอนวันไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดราวเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตามทุดงขวัตคือปฏิัทาอันตรงแน่วไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดทำที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของทุดงที่ประทานไวจะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหา และอุปสรรคใดๆขีดกวางได้เพราะธุดงควัตเป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทําความเครือบแคลงสงสัยและทํำนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องดําเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีความรักชอบในธุโดงควรัตคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระาศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีธุโดงควรัตเป็นเครื่องดําเนินคือผู้มีฝั่งมีฝา มีศาสดาเป็นสาร ะ, ะในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว่าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขับใจผู้นี้คือผู้มีลาตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงสําหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกข้อจริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมาย